พิจรารณาความเป็นอนิจจังนี่แหละความาเป็นอนิจจังเป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายเป็นสิ่งที่มีอยู่ปรากฏอยู่ชัดเจนเป็นประจำปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเห็นอนิจจังแล้วทุกครั้งมันก็อยู่ในนั้นอนัตตามันก็อยู่ในนั้น แต่ว่าทุกครั้งนั่นเห็นยากสักหน่อยอนัตตาปเป็นเห็นยากเข้าไปอีกทุกครั้งนั่นน่ะอย่างร่างกายของเราเนี่ยเราคิดว่ามันแข็งแรงอยู่บุคคลที่ยังหนุ่มยังแน่นยังแข็งแรงกระปี้กระเป๋าอยู่เขาจะไม่รู้สึกเห็นถึงความทุกข์ความทุกข์ในอัตภาพร่างกาย พอมองมา่อเห็นจะบอกว่าปวดแง่งเจ็บแข่งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวปวดเมื่อยตามเมื่อตามตัวเป็นไข้อะไรต่างๆนั้นคนหนุ่มคนเล็กอยู่ไม่ค่อยจะเห็นไม่ค่อยจะปรากฏไม่ค่อยจะรู้สึกยิงเห็นได้ยากขึ้นหน่อยพอเมื่ออายุมากๆเข้าถ้ายังไม่มากจริงๆก็เห็นยังไม่ลึกซึ้ง ยังไม่เห็นชัดขนาดเท่าไหรแต่ถ้าอายุมากๆเข้าไปแล้วในร่างกายไม่ค่อยจะพาไปไหนแล้วไม่ค่อยจะบริการแล้วนะนั่นเราจะเห็นเห็นชัดเจนเห็นมากเห็นชัดเจนนู่นละ่ะพอถึงตอนนูน้นเราจึงจะเห็นความทุกข์จึงเป็นเรื่องที่เห็นยากสักหน่อยที่โดยเฉพาะเก็บไข้ได้ป่วยนี่ละ่ะเห็นได้ยาก จนเนี่ยขึ้นพ้อนอายุออกไปแล้วนะจึงจะรู้จักสังเกตดูซะบ้างให้เมื่อมันไปจนดอกแล้วหมอกป่วยไม่เคยจะได้อยู่ยาอะไรที่ว่าดีๆก็ห้ามากินมาบําบัดหามากินห้ามาบําบัดแล้วมันก็ยังไม่ค่อยจะหายในเมื่อถึงตอนนู้นเราควรจะคอยชัดขึ้นมาเมื่อมันหาที่ไหนไม่ได้ หาหวังที่ไหนไม่ได้จึงได้วกกลับมาสนใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสว่ามีทุกข์กนะล่ะจึงได้ค่อยมาเห็ น, หนยากซะหน่อยอนัตตายิ่งแล้วใหญ่อนัตตานี่ก็เกือบจะตายนู่นแล้วก็ยังมองไม่ค่อยเห็นความเป็นไม่ใช่ตัวตนเนี่ยไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราเนี่ย จะตายอยู่แล้วในร่างกายเนี่ยมันจะแตกสลายอยู่แล้วเรายังว่าของเราอยู่นั่นน่ะแล้วมันไปถึงโน้นแล้วมันยังก็ยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นจารประสาททั้งหลายจึงตายคากันไปตายคาเลยว่างั้นเถอะตายคากับร่างกายอันนียจิตใจก็เลยตายคาคากันอยู่นั่นน่ะแล้วพอก็มาลากไปลูกมันก็ลากเอากายไปนะ เอากายไปตามภาษาของเขานาะมนสกัปปินของเขาเนี่ยลากเอากายไปปฏิจิตใ จ, ใจติดไปด้วยน่ะจิตใจติดคือแไปเกิดเอาก็อนใหม่อละ่ะเรื่องมันตาเหตุมันเพราะว่ามันตลัดไม่ออกมันปล่อยมันวางไม่ออกพระพุทธองค์บอกว่าถ้าพิจารณาเห็นว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่โครงการอะไรของเรา ไม่เกี่กับการอะไรของจิตหรอร่างกายนะ่ยแล้วก็สลัดออกมาเนี่ยอยู่ใครอยู่มันปล่อยเขาเ้าเชื้วางเขาเ้าเชี้ให้เขาไปเท่านั้นแหละร่างกายมันก็ตายอยู่ตรงนั้นแบนอยู่ตรงนั้นกองอยู่ตรงนั้นแต่จิตไม่ไปกองอยู่ด้วยมันลากเขาพีก็ลากไปสิมันจะลากล น, นิ่งน้ําไปลมจะลากอะไรร่างกายเนี่ยมันวางของมันเนี่ยของโลกเขาน่ะโลกเขาก็ลากไปพวกก็ได้แต่ ก, กายไป มันก็ไม่ในจิตจิตก็ไม่อิสระมันก็ไม่เกิดนั่นนะ่ะมันก็อยู่ตรงนั้นนะ่ะทีนี้มันมองไม่เห็นอันนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นเราทิจเจรณาสิ่งที่มันพอมองจะเห็นในในง่ายในสปัปดาหเห็นอยู่ทุกเมื่อเช้าวันคือความเป็นอนิจจังอนิจจังก็ถ้าบางทีไปมองดูในสิ่ง ทางต่างที่มันเราชอบใจเราสนุกสนานอยู่คุมองไปเห็นอีกอบเป็นอนิจจ์นะเพราะฉะนั้นให้มองตรงนี้ให้มองร่างกายนี่แหละให้มองร่างกายคนเราตัวเราที่แรกมองตัวเราไม่ค่อยจะเห็นเพราะมันอยู่สบายมองไปที่คนอื่นก่อนก็ได้คนอื่นมองไปคนแก่มองไปคนแก่ม อ, แกมองไปคนเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นั่นนะ คนคนิดกลงคิดการอะไรต่างๆเนะ่ะไปมองทตรงนั้นนะ่ะไปมองที่ว่ากระเพาะของเขาเป็นอย่างไรมันมีความแปรความปรวนไปอย่างคนที่อายุมากคุณที่ป่วยอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยเราก็เห็นหนะ้าไปโรงพยาบาลก็เห็นเยอะอยู่ลองคิดดูว่าแต่ก่อนนี้มันป่วยอย่างนี้เหลอไอ้คนนี่นะแล้วมันคนแก่แนละ้วมันแก่อย่างนี้เลยแต่ก่อนนี่นะ เมื่อหลายปีก่อนมันก็จะรู้ทันทีแล้วว่าเมื่อไม่แก่อย่างนี้มันไม่ป่วยอย่างนี้มันอยู่สบายอยู่วิ่งเล่นเต้นกระโดดไปมาอยู่สนุกสนานล่าเริงเบิกบานผ่องใสแจ่มใสอยู่แต่คอมเนี่ยเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนมาเจ็บไข้ไร้ป่วยเปลี่ยนมานอนแอ่งแมงอยู่บนเตียงในโร ง, งพยาบาลเนี่ยก็เห็นไปแล้วเออมันเปลี่ยนไปจริงๆครมันไม่อยู่คงที่ คนนั้นนะม่อยู่คงที่แกก็เหมือนกันแต่ก่อนก็แก่อย่างงั้นเลยไม่ใช่แต่ก่อนเขายังหนุ่มยังสาวมีหนังสำั้นคนหนุ่มสาวสวยงามเลยมันไม่เป็นอย่างนี้นะแต่ก่อนนี่เราก็จะมองเห็นนันทีหละความเป็นอนิจจงมันเปลี่ยนไปอย่างนั้นน่ะทีนี้ถ้าเผื่อเราจะฉลาดขึ้นยิ่งกว่า น, นั้นกับน้อมเข้ามาในตัวเราเนี่ย มาดูที่ว่าเออเราก็ไม่สังเกตสักทีนอเรามาคิดย้อนไปดูเมื่อสิบปีก่อนนี้นะเราเป็นอย่างนี้เหลยโสมโทมอย่างนี้หรือร่างกายเนี่ยนะร่างกายของเราเนะี่ยโสมโสมอย่างนี้เลยแต่ก่อนมันยังแข็งแข็งแรงเปียงปรังกระชุ่มกระชวยอยู่นะถ้ายังไม่แน่ใจเนะี่ะไปเอารูปภาพถ่ายสมัยก็มีภาพถ่าย เมื่อสิบปีก่อนก็มีแล้วบางทีเราก็ได้ถ่ายภาพไปโอ้เอามาดูแล้วก็อนโอ้แต่ก่อนนี้ยังหน้าตายแก่มใสหน้าตายยังยังหนุ่มยังสวยงามอยู่มาดูตัวนี้สิกันเนี่ยโอ้อย่างกับคนละคนนะพอเห็นแล้วล่ะอนนี้เห็นตัวเราแล้วแต่ก่อนเห็นยากไปเห็นแต่คนอื่นแล้วนี้มองเข้ามาเนี่ยก็ เ, ยเห็นเข้ามาละตัวเราแล้ะคนนี้ เพราะนั้นไอ้ความที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นน่ะเขาพอไม่ชอบคนอื่นน่ะไม่ชอบเลยแต่เราไม่ได้สํานึกทีนี้พอมาเห็นพวกเราอ้าวเป็นไปอย่างนั้นเหมือนกันชักใจไม่ดีแนละ้วเราชอบไหมไม่ชอบแหมอยากจิตใจเหมืนนึกอยากจะกลับไปเป็นตอนนูน้นอยู่ตลอดเวลาเลยเพืนในใจมันนึกอนะ่ะ แในความที่มันไม่สามารถจะย้อนกลับไปได้รู้สึกเข้าใจนะรู้สึกใจห่อเหี่ยวลงมาแล้วนั่นแหละเป็นอาการของความทุกข์แล้วนั่นเริ่มเห็นแล้วเริ่มทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นให้เราพิจารณาเนี่ยแหละพิจารณาอนิจจังคือความไม่แน่นอนแล้วก็อย่าพิจารณาไกลพิจารณาเรื่องร่างกายนี่แหละถ้าร่างกายตนเองอยังไม่เห็นก็ไปเห็นร่างกายของคนอื่นก่อนก็ได้ เห็นร่างกายของผู้อาวุโสเห็นร่างกายผู้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนั้นก่อนก็ได้แล้วก็จงค่อยๆน้อมเข้ามาแล้วแล้วเราหลับเป็นไหมอย่างนั้นเป็นอนิจจังไหมถ้าเห็นแล้วจิตใจยอมรับยอมรับด้วยเหตุด้วยผลนะว่าเราก็เป็นเหมือนกันความสนุกสนใจในคำตังสอนของพระพุทธเจ้าที่พูดไว้ไม่กี่ไม่กี่ประโยคก็ เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตา ม, มันจะได้ยกขึ้นมาพิจารณาจริงๆกันจงังแก้บเป็นอนิจจังทัดจะเห็นแล้วทีนี้พระองค์ท่านบอกว่าเป็นทุกขังด้วยนะเป็นไหมทุกขังน่ะมันจะได้ดูเข้าไปดูเข้าไปก็จะเห็นหรอกว่าเป็นทุกขังนะอย่างคนอื่นที่เขาเจ็บใครได้ป่วยหรือเขาแก่เขาหง่อมลงไปนะ เขาอยากจะงอมอยากจะแก่อยากจะป่วยเนือเขาก็ไม่อยากเพราะฉนั้นความเดือดร้อนก็เกิดอยู่ในใจเขาน่ะเกิดเหมือนกันเป็นกันแล้วเมื่อถึงคราวเราพิ่เจรนาหว่าเราก็เป็นอนันิจฉาเกันเปลี่ยนแปลงมาตั้งไกลแล้วเนี่ยภายหลังสิบปีให้หลังเนี่ยเรวก็เห็นเออเราเหมือนพัขยาและทักบาดวันแเนี่ยนั่นะความทุกข์เกิดแล้วเป็นความทุกข์เอพระพุทธองค์ตรัสว่า มันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจังรับมือทุกข์ขังมันจริงอย่างพระองค์ท่านว่าแล้วเราที่กระเสือกกรสนอยู่เนี่ยลินลนถ้ามันเก็บให้ได้ป่วยมาก็เดือดร้อนเดือดร้อนวิ่งแจ้งด้วยความเหนื่อยยากจะไปเอาหายนะนั่นก็เป็นความทุกข์ล้วมันอยู่สบายไม่ได้ต้องวิ่งกวนกระวายนั่นแหล ะ, ะ, ละความทุกข์นะ่ปรากฏ ในขณะที่วิ่งเต้นไปนะก็ร่างกายก็ไม่ใช่ว่ามันจะมันจะรอซะก่อนยังไม่เจ็บไม่ปวดนะขณะที่วิ่งหาอยู่หายาหาวิธีการอย่างนั้นมันก็เจ็บไปด้วยปวดไปด้วยร่างกายนะั้นลักษณะทุกข์มันชัดเจนมันแจ็บชัดขึ้นมาทีนี้มาพิจารณาแล้วพระพุทธองค์ตัดยังตัดว่ามันเป็นอนัตตาไอาค้คําคําว่าอนัตตาเนี่ย ดูยังไงก็ดูยากขณะที่ยังป่วยๆอยู่น่าเจ็บอยู่นั่นแหะท่านว่าเป็นอนัตตาเรายังไม่เห็นด้วยนะจิตใจไม่เห็นด้วยครั้งๆที่มันเจ็บมันป่วยนั่นเราชอบเมื่อไหรก็ไม่ชอบไม่ชอบเราระบังคับได้ไหมเราไม่ให้มันป่วยไม่ให้มันเจ็บได้ไหมมันก็ไม่ได้เมื่อไม่ได้แล้วมันก็เป็นไม่ใหญ่ของเราอดิมันก็ไปถูก ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มันเป็นอนัตตามันเป็นมันเป็นตามมันเราเจ็บจะายแล้วมันเราจะไม่ให้เจ็บมันก็ยังเจ็บอยู่นั่นแหะมันเป็นอนัตตาคือมันเป็นเรื่องของมันแล้วมันเป็นส่วนของมันมันไม่ได้ยุ่งมันไม่ได้สนใจเราเลยเนี่ยมันก็ชัดจะเห็นไงนี่อันนี้ต้องใช้ความสงบพิจารณาสักหน่อย ถ้าไม่ใช่ความสงบ ก, ก็เหมือนอย่างเราทุกวันทุกวันนี่แหละจิตใจไม่ได้สงบไม่ได้อยู่กับความคิดที่ว่าจะเอาอะไรเป็นอัดเป็นทำสักอย่างวันๆนึงเนี่ยนอกจากว่ารอเวลาที่จะถึงเวลาแล้วมานั่งภาวนาสักหน่อยทจิตสงบสักหน่อยแล้วก็เป็นอันพอแล้วก็คิดแค่นั้นกูมาอาจารย์ท่านสอนท่านให้แนวข้อคิดความคิดในอัดในธรรม ท่านบอกว่าวันวันหนึ่งนี่ยนะให้พยายามน้อมจิตน้อมใจพิจารณาอะไรก็ได้ให้มันเป็นอัดเป็นดําขึ้นมาสักอย่างหนึ่งในวันวันหนึ่งเนี่ยให้มันเป็นอัดเป็นดําอย่างให้มันเป็นอนิจจังนิลละมันชัดเจนดีให้มันเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาเอาเรายังไม่ถึงอนัตตก็เห็นเป็นอนิจจังให้อะไรเป็นอนิจจังสักอย่างหนึ่งในวันหนึ่งเนี่ย อย่างมองไปเห็นดอกไม้ดอกนึงอย่างนี้มองไปเห็นดอกไม้บางดอกมันก็เหี่ยวบางดอกมันก็บานบางดอกมันยังตูมอยู่อย่างนี้เราต้องพิจารณาน้ม ว, ว่าเออดอกไม้นี่มันตูมต่อมามันเปลี่ยนนะอันนี้เปลี่ยนเป็นอ น, นิจจังแล้วมันบานนะนี่แล้วต่อมาอีกมันก็เปลี่ยนเองมันไม่หยุดเปลี่ยนนะมันยังจะเปลี่ยนออกไปเป็นเหี่ยว นะแล้วก็ยังจะที่สุดโรยร่วมโรยไปนเราดูดอกไม้อย่างเนี้มันก็เป็นธรรมะท่านบอกว่าให้พยายามมองเห็นสิ่งต่างๆดูสิ่งต่างๆพิจารณาสิ่งต่างๆให้มันเป็นอาจเป็นทำขึ้นมาได้สักอย่างหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยแเราลองคิดดูเถอะเนี่ยถ้อยคํานี้ที่ท่านท่านพูดไว้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าคิดมาก อย่างเราวันหนึ่งถ้าไม่ได้คิดใช่เลยเนี่ยเราลองน้อนเข้มาสินอนจิตนอนใจเข้ามาดูอะไรก็ได้ดูสัตว์กสัตว์ต่างๆดูนกดูเป็ดดูไก่ดูหมาดูแม้กระทั่งดูผู้ดูคนที่มาเที่ยวในวัดของเราเนี่ยดูเธอแล้วพยายามน้อมดูที่ว่ามันเป็นอนิจจังไหมลองน้อมไปการทําอย่างนี้ทําให้จิตใจเราเนี่ยมีโอกาส มีเวลาที่จะน้อมลงถู่ความสงบน้อมลงสู่อัตถิธรรมการภาวนานั้นท่านไม่ได้หมายความเอาจะเกียงว่ามานั่งทําความสงบนิ่งแนวอยว่างนี้ไม่ใช่เท่านั้นการภาวนาคือการฝึกจิตใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงการน้อมคิดพิจารณาให้มันเป็นอัตถิธรรมให้มันเป็นอิมิจังทุกขังอนัตตาคือหมายความว่าให้มีความฉลาด ตลาดในเรื่องต่างๆทั้งๆที่มันเห็นอยู่มันกลายย่างไปกลายมาอยูนนะ่นี่น่ะนี่แหละมันอยู่อย่างนี้อย่าให้มันหลอกได้อย่าให้มันหลอกได้ถ้าจิตใจเรามีโอกาสจะพิจารณาจิตใจมันจะฉลาดมันจะมองเห็นคือใครมาหลอกไม่ได้มาต้มมาตุนไม่ได้ตุนจิตตุนใจไม่ได้ อันนี้ก็เป็นการพัฒนาจิตใจจิตใจจะมีคุณภาพมากขึ้นเฉลียวฉลาดเพราะฉะนั้นลองคิดดูเราวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยพอให้มีการน้อมจิตใจลงสู่ความสงบหรือไม่ก็น้อมจิตใจลงสู่การพิจารณาให้เห็นสิน่งต่างเป็นอัดเป็นธรรมก็โดยเฉพาะเห็นว่าเป็นอนิจจงนี่แหละพยายามคิดอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆ อ, อยู่เสมอบ่อยๆ อาจจะวันหนึ่งนะไม่ใช่เอาอย่างเดียว อ, อย่างที่ท่านว่าเอาหลายอย่างเมื่อเราคิดอย่างนี้อยู่บ่อยๆในที่สุดจิตใจเราจะน้อมไปเพ่ความพิจารณาเห็นสิ่งตา่างๆมันจะเป็นอนิจจังมองเห็นอะไรมองเห็นสินี้ก็เป็นอนิจจังมองเห็นสินั้นยังไม่เป็นแต่เมื่อพิจารณาไปสักหน่อยก็เป็นอนิจจังเมื่อเห็นเป็นอนิจจังแล้วทุกครั้ ง, งกัตตา ถึงแม้จะยังไม่ตามมาแต่ในที่สุดจิตใจก็ปล่อยก็วางความรู้สึกไม่ผูกไม่พันนักความรู้สึกผ่อนคลายมันจะเกิดจะมีขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยเรามาอยู่วัดแล้วมีโอกาสจะประพฤติปฏิบัติได้ปฏิบัติทำได้ทั้งนั้นขอให้จำคำสั่งสอนคำแนะนำของครูบาอาจารย์ ที่ท่านบอกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ให้มีการได้พิจารณาสิ่งต่างๆให้เป็นอัดเป็นทำขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างนี้ท่านบอกว่าไม่ขาดทุนถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วไม่พิจารณาอะไรสักอย่างให้เป็นอัดเป็นทำได้สักอย่างหนึ่งเลยเอย่างนั้นท่านบอกขาดทุนวันนั่นขาดทุนแล้ว ถ้าเปรียบการค้าขายถ้าขาดทุนอยู่บ่อยๆวันนี้ก็ขาดทุนวันหน้าก็ขาดทุนนี่ค้าขายต่อไปไม่ได้นานหรอกเจ็งหมดสภาพต่อไปนี้เราฟังเสียงของปู่นั่งพอนานนะจำใจสงหบพยายามพิ่เจอนานี่แหละเรื่องอนิจจงนี่แหละลองนั่งอยู่ตรงนี้ทีแรกมันทำไมไม่เจ็บพอนั่งไปสักหน่อยนั่นมันเป็นอนิจจงแล้วคือมันเจ็บแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนไปอย่างริง